ถ้าฟังเข้าไปใกล้หลุมดํำครับถ้าเราเอาเท้าเข้าไปก่อนนะเท้าเนี่ยจะถูกแรงโน้มถ่วงของหลุมดําเนี่ยดึงด้วยความโน้มถ่วงที่สูงมากมหัวก็สูงเหมือนกันแต่ต่ากว่าเท้า<ะ>มากพอสมควร<ะ>ทําให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกเหมือนเท้าโดนดึงแรงมากกระชากเข้าไปส่วนหัวเนี่ยวิ่งตามไม่ทันมันหล่อนๆ ม, มันก็เลยเหมือน<ๆ>ยื ด, ยด<อ>เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าสปาเกตตีฟิเคชันหรือการทําให้เป็นเส้นสปาเกตตี้ You're listening to the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. in the world, l u physics podcast, science n d nerd, that will take you to n the world of physics from r o n อะไรที่มันยิ่งลึกลับซับซ้อนก็เป็นสิ่งที่ยิ่งหน้าค้นหามากขึ้นเท่านั้นนะคะหลุมดําเองก็อาจจะเข้าในกลุ่มนี้เหมือนกันทําไมนักวิทยาศาสตร์ดังๆอย่างไอซา์ le, หรือว่าซีฟเวนฮอว์กินเขาก็จุดประเด็นการถกเถียงเรื่องนี้ขึ้นมานะคะดังนั้นใดๆในโลกโลนฟิสิกส์จะชวนมาคุยกันถึงนางเอกของเราในวันนี้หลุมดําซึ่งมีสเสน่ห์มากทีเดียวนะคะพี่งองแปงก็วันนี้อยู่กับฟางรัตเทโรสิทิพนาค่ะและผมอัศว่าโรงองแปงจันทมาศครับ โอเคพี่องแปงคือเอางี้ก่อนเลยนะตอนจะคุยเรื่องนี้ก็ไปเสิร์ชดูแล้วเราก็จะเจอภาพเหมือนที่อยู่ข้างหลังพวกเราห<อ>ลุมดําแต่แบบในในหัวฟังก็จะคิดว่าเออมันก็ต้องมีความดํามืดอะไรบางอย่างแต่ว่าเฮ้ยมันแบบมันมีสีสีส้มส้มมีแสงอะไรเงี้ยพี่จริงๆแล้วมันคืออะไรทําไมมันถึงมีสีแสงแบบีที่เราเห็นได้อทําไมหลุมดําในภาพถ่ายถึงไม่ดํานะครับอันนี้บอกก่อนว่าหลุมดําเนี่ย การพูดแบบนี้ก็เท่ากับว่าเรายอมรับแล้วว่าหลุมดํามีจริงเนาะเขาถึงถ่ายรูปออกมาได้ทีนี้เวลาเรามองหลุมดำเนี่ยครับหลุมดําโดยตัวมันทิวเพียวเลยเนี่ยมันจะไม่มีแสงหรืออะไรก็ตามหลุดออกมาจากหลุมดําได้เป็นอันขาดอันนี้คือธรรมชาติโดยทั่วไปของหลุมดําเลยคืออะไรก็ตามที่ตกเข้าไปในหลุมดําแล้วเนี่ยนะจะต้องไม่สามารถหลุดออกมาได้อถ้าหลุดออกมาได้ก็ไม่ใช่หลุมดําแล้วนะครับแต่ทีนี้ทําไมภาพหลุมดําที่เราหาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันถึงมีแสง คำตอบคือแสงที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแสงของสิ่งที่อยู่ข้างในหลุมดำแต่เป็นแสงของสิ่งที่อาจจะวิ่งวนอยู่รอบๆบหลุมดำแล้วก็เปล่งแสงออกมาอย่างนี้ <outfits S 1> แป<บ>ลว่าที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวมันเองแต่ว่าเป็นสิ่งรอบข้างมันเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆบตัวหลุมดำเ <simultaneously. S 1> ปรียบได้กับเสื้อผ้าของผมอย่างเงี้ย เ, ออเสื้อผ้าของผมก็อยู่รอบๆตัวผมอาจจะไม่ใช่ป่องแปลงแต่ก็มีความเป็นป่องแปลงระดับหนึ่ง แล้วถ้าเกิดถามลึกลงไปอีกว่าเอ้ยแล้วจริงๆแล้วหลุมดํามันคืออะไรมนันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดมาได้ยังไงเนี่ยขอย้อนกลับไปในยุคแบบหลายร้อยปีก่อนนะครับคือว่ามีพระอยู่อยู่คนหนึ่งเขาชื่อจอห์นวิเชลเป็นคนที่ริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับหลุมดําขึ้นคนแรกๆเลยคนคนแรกเป็นพระเลยอ่ะพี่เป็นพร ะ, ะคือพระเนี่ยเป็นเป็นชนชั้นในยุคโบราณเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นชนชั้นที่รู้หนังสือ แล้วก็มีเวลาในการศึกษาหาความรู้เขาก็จะมีไอเดียมีอะไรต่าง ๆ, ๆพวกนี้นะครับคือแนวคิดของเขาเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างตรงไปตรงมามากก็คือสมมติโลกของเราเนี่ยถ้าเราอยากหลุดออกไปจากแรงโน้มถ่วงโลกของเราเราก็ต้องทําความเร็วสูงแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันกดเร า, เาไว้กับโลกถ้าเราพุ่งตัวเองออกไปแรงๆด้วยความเร็วสูงเราก็ณจุดหนึ่งเราจะไม่ตกกลับมาอีก<ฆ>นึกออกไหมฮะ<ฆ>ซึ่งความเร็วที่ทําให้ให้เราพุ่งออกไปโดยที่ไม่ตกกลับมาอีกเนี่ย เขาเรียกว่าความเร็วหลุดพ้นครับซึ่งโลกของเราเนี่ยความเร็วหลุดพ้นก็คือ11กิโลเมตรต่อวินาทีเร็มวมาที่นาทีใช่จากบ้านผมบางกะปิมาที่เนี่ยประมาณ5โลวิ่งเป็นเส้นตรงประมาณนะครับปึ๊ บ, บเนี่ยหนึ่งวิอย่างเงี้ย oh. เร็วมากทีนี้จอห์นิเชลเนี่ยถามว่าดาวที่มันมีความโน้มถ่วงสูงขึ้นเนี่ยความเร็วหลุดพ้นจะเป็นไง มันก็ต้องใช้ความเร็วหลุดพ้นเป็นไงฮะมากขึ้ น, นสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมก็ make sense แต่เขาดันถามต่อไปอีกว่าแล้วถ้ามีดาวดวงหนึ่งเนี่ยที่เราต้องใช้ความเร็วหลุดพ้นเกินความเร็วแสงละ่ะหมายความว่าถ้าคุณจะหลุดออกไปจากดาวดวงเนี้คุณจะต้องใช้ความเร็วมากกว่าแสงซะอีกอแล้วถ้าแสงมันโดนดูดไว้แล้วไม่มีอะไรเร็วกว่าแสงเนี่ยดาวดวงเนี้ยมันก็ไม่มีแสงในตัวเพราะความเร็วที่จะใช้หลุดออกมาจากผิวดาวเนี่ย มันเร็วกว่าแสงนะครับวัตถุประหลาดเนี้ยทุกวันนี้เราก็เรียกมันว่าหลุมดำแต่คุณจอห์นมิเชลยังอยู่ในยุคที่เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทั้งทางคณิตศาสตร์ทั้งทางทฤษฎีไม่ต้องพูดถึงเทคโนโลยีในการจะมาทดสอบข้อเท็จจริงตรงนี้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าแนว ค, คิดนี้ก็ค่อยๆถูกลืมเลือนไปเนาะจนกระทั่ง a l b เบิร์ตไอน์สไตน์สร้างทฤษฎีที่ชื่อว่าสัมพัทธภาพาทั่วไปขึ้นนะครับ ก็มีคนแก้สม ก, การนี้ออกมาได้และผลเฉลยนึงเหมือนคำว่าคําตอบหนึ่งของมันเนี่ยบอกว่าหลุมดำเนี่ยเป็นไปได้จริงตัวไอซายเองเนี่ยพอเห็นคนมาบอกว่าหลุมดําเป็นไปได้ในหัแรกนะฮะหรือแม้แต่ในช่วงเวลาต่อมาเขาก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้คือมันหนึ่งคือมันประหลาดมากที่แบบความโน้มถ่วงมันสูงจนจนแสงเนี่ยหลุดออกมาไม่ได้มันประหลาดเขาคิดว่ามันไม่มีจริงหรอกไอหลุมดํานี้ถ้ามันจะมีเนี่ย มันมีกระบวนการอะไรในการสร้างมันเรานึกถึงกระบวนการในการสร้างวัตถุที่แน่นขนาดนั้นนะไม่ออกสมมติว่าถ้าเราอยากสร้างหลุมดำขึ้นจากวัตถุอะไรสักอย่างนะครับเช่นเราอยากให้โลกเป็นหลุมดำถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่เราจะต้องบีบโลกทั้งใบเนี่ยนะให้เล็กมากจนเข้ามาอยู่ในวงกลมประมาณนี้อพอโลกแน่นเข้าไปแบบนี้โลกก็จะกลายเป็นหลุมดาได้แต่ใครจะบีบเรามีแรง เครื่องจักรไม่น่าได้มีปรากฏการธรรมชาติอะไรไหมที่ที่สร้างได้มันไม่มีอะฮะคือเหมือนเขาก็ตั้งคําถามว่าการจะทําให้เกิดไอ้สิ่งเนี้ขึ้นมามันเป็นเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแม้ว่าผลเฉลยบอกว่าเป็นไปได้แต่กระบวนการที่สร้างเนี่ยมันมันไม่มีใครนึกออกมันเหมือนผมบอกว่ามันมันเป็นไปได้ที่ผมเนี่ยจะรวยในระดับเจ็ดแสนล้านล้านเหรียญสหรัฐสมมุตินะเป็นไปได้ไม่มีกฎฟิสิกส์ห้ามความรวยของผม ผมแทบไม่มีวันนึกออกว่าจะทำยังไงไง ม, มัน ม, มันก็เหมือนคงไม่มีหรอกอะไรเงี้ยค่ะออแล้วถัดจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะถัดจากนั้นไปเนี่ยมันมีนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีนะครับออสร้างทฤษฎีบางอย่างขึ้นมาแล้วก็แสดงให้เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ที่กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้ครับกระบวนการที่ว่าเนี่ยเป็นวิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ใช่คืออย่างนี้ดาวฤกษ์เนี่ย แรกเริ่มเดมทีดาวเร่แบบดวงอาทิตย์หรืออะไรก็ตามนะครับมันเกิดจากเนบิวลาก็คือแก๊สที่มันกระจายอยู่ในเอกภพผ่านไปนานมากเข้าเนี่ยแก๊สเหล่านี้มันจะแน่นขึ้ น, แ น, น, นแน่นขึ้นด้วยแรงโน้มถ่วงแล้วก็อัดแน่นขึ้นพอแน่นขึ้ น, แ น, น, นแน่นขึ้นมากๆเข้าเนี่ยมันก็จะร้อนแล้วก็เกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นนะครับพอเกิดปฏิกิริยาฟิวชันก็เป็นดาวเร่เนาะแต่ทีเนี้ยตอนมันตอนมันเป็นดาวเร์แบบดวงอาทิตย์เนี่ยทุกคนก็เห็นว่ามันก็มีความเสถียรภาพดีแต่ว่ามันไม่ได้อยู่แบบนี้ตลอดไป สักวันหนึ่งมันจะต้องตายครับออทีนี้ความตายของดาวฤกษ์เป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับว่าตัวมันเนี่ยมีเนื้อสารเยอะหรือมีเนื้อสารน้อยหรือมีเนื้อสารแบบปานกลางอืนักคิดเชิงทฤษฎีชี้ว่าถ้าดาวฤกษ์บางดวงมีเนื้อสารมากพอนะครับมากพอคืออ้วนหรือมีเนื้อเนื้อเยอะๆเนี่ยตอนที่มันจะตายเนี่ยมันจะระเบิดตัวเองออกมาแรงมากและการระเบิดนี้เขาเรียกว่าซูเปอร์โนวาไม่รู้คนได้ยินไหม คุ้นๆค่ะฮ่า ค, คำว่าซูเปอร์โนวาใช่ไหมคือการระเบิดที่รุนแรงมากแต่เลื้อดสารที่กระเด็นออกไปเนี่ยมันก็กระเด็นออกไปแต่แก่นที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยมันดันจะบีบตัวอัดตัวเองด้วยมวลที่เหลือแล้วมันมากพอมันจะบีบตัวเองถล่มตัวเองลงไปตุบๆๆๆจนกระทั่งตัวมันเนี่ยเล็กลงเล็กลงจนกลายเป็นจุดอือหมายถึงว่าไม่มีปริมาตรอืมในทางคณิตศาสตร์จุดเนี่ยมันไม่มีไม่มีปริมาตรานะ ซึ่งมันเป็นสภาพประหลาดและแรงโน้มถ่วงที่บีบมวลของดาวฤกษ์มหาศารนีลจนกลายเป็นจุดเนี่แหละจุดนี้แหละคือใจกลางของหลุมดำอ๋อแปลว่าหลุมดำนี่เหมือนเป็นอดีตของดาวฤกษ์เป็นอนาคตสิอ่าใช่ดาวฤกษ์เป็นอดีตของหลุมดําใชออ่โอเคเออแปลว่ามันมันเกิดขึ้นได้กับดาวฤกษ์ทั่วไปไหมคะดาวฤกษ์เนี่ยมันก็คล้ายๆกับ ผมอาจจะเปรียบคล้ายๆกับกับคนแล้วกันก็จะมีคนที่เนื้อเอาน้ําหนักกลางๆอ่ะเยอะไอ้พวกนี้ไม่ค่อยเกิดหลุมดำมั้งก็น้ำหนักน้อยๆนี่ยไม่เกิด <ๆ S 2> แน่ๆมันก็จะมีบางส่วนที่แบบ<ห>เนื้อเยอะมากๆ<ห>มวลสารเยอะมากๆแล้วไอ้พวกนี้บางส่วนเท่านั้นที่จะมีโอกาสเป็นหลุมดําบางทีมันอาจจะเกิดซูเปอร์โนวาที่เนื้อมันกระจายออกเยอะไปหน่อยสารตรงกลางอาจจะไม่เหลือมากพอหรือเลยรํานองนี้แต่ถ้ามันจังหวะเหมาะเจาะเนื้อเยอะๆเนี่ยมันจะอัดเป็นหลุมดําได้ โอกแล้วสิ่งนี้อยู่บนกระดาษหรือว่ามีการพิสูจน์ยังไงมันอยู่ในกระดาษในที่สุดมันมีการค้นพบวัตถุชื่อซิกนัสเอ็กซิกนัสเนี่ยบ่งชี้ว่าวัตถุนี้ยอยู่ในกลุ่มดาวหงส์และ X1 เ่ เ, เป็นเป็นชื่อเรียกมันนะครับวัตถุตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีใครมองเห็นมันแต่มีอะไรบางอย่างโคจรไปรอบๆมันได้อย่างเงี้ย<อ>แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอะไรแบบนี้ในตอนนั้นนะครับก็หลายสิบปีลม แต่ในที่สุดเราก็ค้นพบวัตถุในลักษณะนี้มากขึ้นมากขึ้นแบบซิกนัล <X 1. S 1> ไม่เห็นนะแต่ว่ามีอะไ ร, ะไรบา ง, บางอย่า ง, รางจร อ, อยู่ ร, บรบอบๆใช่แล้วเราก็ค่อนข้างค้นพบวัตถุที่เห็นในลักษณะในภาพนี้มากขึ้นมากขึ้ น, ก, นก็คือเป็นแก๊สที่มันอยู่รอบๆอะไรบางอย่างแล้วแก๊สเหล่านี้เนี่ยมันมันหมุนด้วยด้วยความร้อนโดนบีบอัดด้วยแรงโน้มถ่วงที่สูงมากนะครับแล้วมันก็ร้อนมากจนกระทั่งตัวมันเนี่ย เปล่งรังสี x ออกมา ม, มันร้อนกว่าผิวดวงอาทิตย์ ม, มากคื อ, อยังเราเอาเหล็กมาตีให้ร้อนนะครับมันก็แดงแล้วมันก็ส้มเหลืองออแล้วมันก็ขาวสูงกว่าขาวเนี่ยมันจะมันจะเป็นแบบไฟเตาแก๊สก็คือ เ, เป็นสีน้าเงินร้อนขึ้นไปอีกมันจะเป็นอัลตราวโอเลตแล้วแต่ถ้าร้อนเหนืออัลตราวโอเลตขึ้นไปมากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นรงังสี x เพราะว่าตัวมันร้อนมากร้อนจัดจนเปล่งรังสี x ออกมามดังนั้น ไอ้ตัวที่มันร้อนขนาดนี้เมื่อคำนวณกับทางทฤษฎีและอื่นๆและอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันบ่งชี้ว่าวัตถุควบแน่นที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากหลุมดำมและนี่เป็นหนึ่งในวิธีที่เขาใช้ในการตรวจจับหลุมดำก็คือมองหา ว, วัตถุที่มีการเปล่งรังสีเอออกมาอย่างรุนแรงอ x อ a y ก็ไม่ได้อยู่ในห้องตรวจขอ ง, <ล>งแพทย์<า>อย่างเดียวยใช่แต่ ม, มันยังอยู่ในอวกาศอยู่รอบๆหลุมดา แต่ถามว่ามีหลุมดําที่ไม่มีวัตถุโคจรรอบๆอบไหมไม่มีแก๊สโคจรรอบรอบไหมก็เป็นไปได้ที่จะมีฮะแต่แบบนั้นเราเราก็ไม่เจอมันนะที่เราเจอมันก็ต้องต้องเป็นหลุมดําที่มีแก๊สโคจรรอบๆอบครับแปลว่าวิธีการที่เขาใช้ในการตรวจจับว่าตรงไหนมีหลุมดําก็จะเป็นแบบที่พี่ปองแปงบอกไว้เนาะอ่าเป็นวิธีหนึ่งแล้วมันม <ะ S 2> ีข้อถกเถียงอะไรอีกไหมพี่คนยังเถียงกันเรื่องหลุมดําอีกไหมเเถียงกันจบหรือยังเรื่องนี้ยังมียังมีอะไรที่ยังเป็นข้อสังเกต ที่เกิดขึ้นอีกไหมคะกับเรื่องหลุมดําโอ้เยอะเลยคือหลุมดำเนี่ยมันเป็นวัตถุเอ็กซ์ตรีมมากอย่างแรกเลยคือใจกลางของมันเนี่ยมีความหนาแน่นเป็นอนันต์ความหนาแน่นเนี่ยคือมวลที่หาด้วยปริมาตรมวลสารอ่ะไม่เป็นอนันต์นะครับแต่ปริมาตรดันเป็นจุดนี่สิทำให้ความหนาแน่นเนี่ยเป็นอนันต์ซึ่งความหนาแน่นที่มากเป็นอนันต์เนี่ยก่อให้เกิดปัญหาเชิงการคํานวณมากมายก่ายกอง คือนักฟิสิกส์เนี่ยเวลาคํานวณอะไรออกมานะครับปริมาณที่เราวัดได้ในทฤษฎีต่างๆเนี่ยมันต้องไม่เป็นค่าอนันต์คือมันรู้ว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่จะเยอะจะน้อยแค่ไหนจะเยอะน้อยแค่ไหนก็ว่ากันไปพันล้านแสนล้าน20ล้านล้านล้ก็ว่าไปแต่ต้องไม่ใช่อนันต์ไม่มีใครขึ้นไปเหยียบเครื่องช่างน้ําหนักแล้วแบบน้ําหนักหมุนเป็นอนันต์อย่างเงี้ยสะเทือนใจมากๆมันไม่มีอะไรแบบนั้นนะฮะแล้วเราก็ไม่เคยเห็นแล้วแล้วเครื่องมือ้เครื่องมือที่เป็นคณิตศาสตร์เราก็ไปไม่ถึงจุดนั้นด้วยแต่ ไอ้จุดที่มีความหนาแน่นมากระดับอ น, นันต์เนี่ยเราควรจะใช้ทฤษฎีอะไรบรรยายมันนี่คือจุดที่หนึ่งที่ทําให้นักฟิสิกส์ทุกวันนี้สนใจหลุมดํามากเป็นพิเศษว่าเราจะบรรยายสภาพใจกลางของมันยังไงก็ยังเป็นสิ่งที่ยังค้นหากันต่อไปใช่และและนะครับคือไอ้จุดเล็กๆที่มีความหนาแน่นสูงขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่หลุมดําอย่างเดียวนะแต่ยังมีอีกอย่างก็คือเอกภพของเราในช่วงแรกๆที่มันถือกําเนิดขึ้นด้วย ตอนนี้ไม่มีทฤษฎีที่ใช้อธิบายธรรมชาติใจกลางหลุมดำได้ค่ะตอนนี้ก็เลยเหมือนเรารู้ว่ามีอ่ะแต่แต่ยังไม่ได้เข้าใจมันร้อซขนาดนั้นเรารู้ว่ามันมีมเรารู้ว่าขอบของมันมีแน่ๆที่น่าน่าสนใจคือว่าหลุมดําจะเดิมเนี่ยเราจะเห็นแค่ว่ามันขอบมันปล่อยเอ็กซ์เรย์ออกมาแต่เราไม่ได้เห็นขอบที่มันดําจริงๆอืมคือหลุมดําเนี่ยจุดตรงกลางเนี่ยมันมีความโน้มถ่วงสูง แล้วอะไรก็ตามที่หลุดเข้าไปมันก็จะมืดมันก็จะมีขอบของมันออกมาอมขอบตรงนี้เรียกขอบฟ้าเหตุการณ์โหชื่อเพราะว่าขอบฟ้าเหตุการณ์ภาษาอังกฤษคือ event horizon <ห>คือหลุดเข้าไปแล้วจะไม่มีเหตุการณ์ไหนที่เราสังเกตได้อีก<ห>แต่ไอ้ขอบ<ห>ตรงนี้ยเไปเลใช่มันสังเกตเห็นยากมากเพราะว่าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ดีพอแต่ภาพนี้เห็นได้ชัดว่ามีขอบฟ้าเหตุการณ์อยู่ตรงกลางจริงๆเป็นรูโดนัทอ่าคือไอ้ไอ้ตัวดําๆอันนั้นใช่ครับนั่นแหะคือขอบฟ้าเหตุการณ์ของ supermassive black hole ถ้ามันหลุดเข้าไปในขอบฟ้าเหตุการณ์เมื่อไหร่หลุด อ, ออกมาไม่ได้อีก <ắng> ซึ่งขอบฟ้าเหตุการณ์นี่มันเป็นอะไรที่ประหลาดคือมันไม่ใช่ของที่แข็งเหมือนโต๊ะเป็นอะตอมไม่ใช่ของที่แบบเป็นกำแพงแบบเดินไปชนมันเป็นขอบของอะไรสักอย่างที่มันถ้าเราวิ่งเข้าไปในขอบนั้น่ะเราจะไม่ได้ชนกับอะไรเลยอนึก อ, ออกไหมฮะเพราะมันไม่ขอบฟ้าเหตุการณ์แค่บอกว่าอะไรก็ตามที่ที่หลุดเข้าไปในขอบเนี้มันจะหลุดออกมาเด้งออกมาไม่ได้อีกใช่ดังนั้นตอนที่เราวิ่งเข้าไป เราก็จะไม่รู้สึกว่าเราชนกับอะไรแล้วตกเข้าไปอย่างชิวๆหายไปโดยไม่รู้ตัวเราไม่ได้หายเรารู้สึกเราปกติมากมใช่เพียงแต่ว่าไม่มีใครแบบมองเห็นมอง<ด>เห็นเราจากข้างในได้ อ, อีกเศ้าเนี่ยโอเ ค, คแล้วมันมีปรากฏการณ์ที่มันดูดกลืนดาวอะไรเข้าไปไหมหรือว่ามันมั น, ม, นมันส่งผลอะไรกับคนรอบรอบตัวมันไหมโอ้เป็นคาถามที่ดีคือถ้าฟัง เข้าไปใกล้หลุมดำอะครับถ้าเราเอาเท้าเข้าไปก่อนนะเอาเอาหัวหรือเท้าเข้าไปเอาเท้าแล้วกันเอาเอาแหวกเข้าไปก่อนเท้าเนี่ยจะถูกแรงโน้มถ่วงของหลุมดาเนี่ยดึงด้วยความโน้มถ่วงที่สูงมากหัวก็สูงเหมือนกันแต่ต่ํากว่าเท้ามากพอสมควรค่ะทําให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกเหมือนเท้าโดนดึงแรงมากกระชากเข้าไปส่วนหัวเนี่ยวิ่งตามไม่ทันมันหลอนมันก็เลยเหมือนกยืดเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าสปาเกตตีฟิเคชัน หรือการทำให้เป็นเส้นสปาเก็ตตี้อ๋อคือมันยืดวุ๊บออกไปเพราะมันได้รับแรงหนม้มถ่วงที่ไม่ถึงมันกระชากค่ ะ, ะค่ะการกระชากหรือการถูกยืดฟื้นนี่แหละนักฟิสิกส์ก็สามารถสังเกตเห็นการเกิดสปาร์เก็ตติฟิเคชันกับกับดาวที่เข้าไปแล้วโดนกระชากแรงๆหรือแก๊สที่ถูกกระชากแรงๆพวกนี้เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจค่ะใช่แล้วจริงๆทุกวันนี้เนี่ยเริ่มมีการศึกษา ธรรมชาติของแก๊สที่มันกําลังไหลวนรอบหลุมดําในลักษณะที่เรียกว่าโฟตอนริงหรืออะไรพวกนี้อันนี้อาจจะลึกเกินไปแตเอาเป็นว่าเขากําลังสร้างทฤษฎีใหม่ๆบนกระดาษที่เราอาจจะมองเห็นได้จากหลุมดําถ้าเรามีอุปกรณ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้มันยังมีเรื่องอะไรที่นักฟิสิกส์หรือว่านักวิทยาศาสตร์ยังยังหาคําตอบอะไรที่เรายังไม่รู้แล้วเราอยากจะรู้อีกมันมีประเด็นไหนอีกไหมคะประเด็นหลักๆเลยนะที่ เรียกว่าเป็นประเด็นที่นักฟิสิกส์ที่เก่งที่สุดในโลกตอนนี้ยกําลังศึกษากันอยู่เพื่อหาคําตอบแต่เหมือนจะยังไม่ยังไม่อาจจะพอจับจับทางได้แต่ก็ไม่เจอคําตอบแบบชัดเจนนะก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเใส่วัตถุเข้าไปในหลุมดําจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวหลุมดํากันแนะ่อหลุมดําจะใหญ่ขึ้นเล็กลงร้อนขึ้นหรือเย็นลงอออะไรแบบเนี้ย คือคุณสมบัติเชิงความร้อนของหลุมดำเนี่ยเป็นหนึ่งในปัญหาที่คุณสตีเฟนฮอ a w กิ้งกับคณะนะครับจริงๆเขาทำงานกับคณะน ะ, ะแต่เขาดังกว่าคณะจนแบบคณะแบบน่าเห็นใจนคณะน้อยแล้วพอสมควรผม <c oughs> ว่าคณะทำงานกับคุณสตีเฟนฮอ a w กิ้งเนี่ย <c oughs> เขาก็พยายามศึกษาว่าหลุมดำเนี่ยมันมีอุณหภูมิได้หรือเปล่า ถ้ามันมีอุณหภูมิได้เนี่ยมันก็ต้องแผ่รังสีความร้อนเหมือนเหล็กที่มันร้อนแล้วมันก็แผ่รังสีออกมาหรือตัวเราที่มีอุณหภูมิแล้วก็แผ่รังสีเคลื่อนความร้อนอินฟาเรดออกมาอะไรเงี้ยถ้าหลุมดำมีอุณหภูมิได้จริงซึ่งมันควรจะมีสิมันไม่ควรจะเป็นวัตถุที่ได้รับการยกเว้นไม่ใช่ว่าทุกอย่างในเอกภพมีอุณหภูมิได้แล้วหลุมดำไม่มีคุณคุณทำไมมีอภิซิธ์จังเลยมันประหลาดแต่ถ้ามันมีอุณหภูมิจริงคุณจะแผ่ความร้อนได้ยังไงล่ะในเมื่อมันไม่ื่อไมานุดํ่เีวตป็ัถท เมื่อคิดไปให้สุดจริงๆเนี่ยมันเหมือนจะเรียกร้องให้เราสร้างทฤษฎีใหม่ขึ้นมาลองรับมันอยู่พอฟังพี่บ่งแปงเล่ามาเรื่อยๆยังรู้สึกเหมือนเดิมตอนที่เราเริ่มต้นแต่ว่ารู้สึกลึกไปอีกว่ามันเป็นปริศนาจริงๆอะ่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่แบบ พอยิ่งฟังแล้วมันมีจินตนาการใหม่ๆแล้วคำเมื่อกี้ฟังว่ามันน่าสนใจคือบางอย่างมันอาจเราอาจจะยังไม่ได้รู้จากมัน 100% เนาะแต่มันเป็นสเสน่ห์นะที่ทําให้เกิดการศึกษาอยู่ทําให้นักฟิสิกส์นักฟิสิกส์ศาสตร์เนี่ยยังหาคําตอบเรื่องหลุมดําแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นสเสน่ห์ของมันในการที่จะศึกษาหาขอบเขตใหม่ๆของความรู้ไปเรื่อยๆนะคะยังไงถ้าใครนะคะที่ฟังแล้วชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกลับมาติดตามใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์กันได้นะคะในทุกๆพอดแคสต์เพลย์เลอร์แล้วก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe นะคะ YouTube The Standard Podcast กันไว้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears